บุกทูยี่สิบเอ็ดูเด็อูนการสนทนาสองคุนเดรสซิเอโตดูคุณมาจากไหนคะเดเคียริเวนัสมาจากบาเซลค่ะเดอบาเซล ปาเซลอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะม เ, เขาเป็นคนต่างชาติเขาพูดได้หลายภาษา คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะชูวิอุนวัวฟอยเอสตัสชิตีเอไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะเน่มียัมพัสดิ์สินเชื่อเอสติสชิตีเอแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะเซนูรอูอนเซนานัน คุณชอบที่นี่ไหมคะคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากคะ่ะและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยคะ่ะคุณทำงานอะไรคะ คีบอกวิโปรวเซียเอสตัสดิฉันเป็นนักแปลมิเอ ส, สตัสทราดูคิสโต้ดิฉันแปลหนังสือมิทราดูคัสลีบรอยนคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะชูวิเอสตัสโซลาชิเต้ไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะแหนะ่มีอเอ็ดจีนาะมีอเอด็ดเนาอันเาวเอสตัสจิทีเและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันใครเทียอเอสตัสมีไอดูเกฟีลอย